ข้อ3ในข้อนั้นมีคำกล่าวโดยลำดับดังต่อไปนี้ดังได้สดับมามหาชนในชมพูทวีปประชุมกันในที่นั้นนั้นมีประตูเมืองศาลาว่าราชการและที่ประชุมเป็นต้นแม้ให้เงินและทองแล้วยังกันและกันให้เหล่าเรื่องของพวกผ้าเหรียญ มีประการต่างๆมีเรื่องนำนางศรีดามาเป็นต้นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งโดยล่วงไปสี่เดือนจึงจบวันหนึ่งเรื่องมงคลได้เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าอะไรหนอแหลเป็นมงคลรูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคลเสียงที่ฟังแล้วหรือเป็นมงคล อารมณ์ที่ทราบแล้วหรือเป็นมงคลใครรู้จักมงคลทีนั้นชายผู้หนึ่งนามว่าทิฏฐมังคลิกะเอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้จักมงคลรูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในโลกรูปที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่ารูปที่เห็นแล้วคือ คนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่ช้าตรู่เห็นนกแอ่นลมบ้างมะตูมอ่อนบ้างหญิงมีคันบ้างพวกเด็กน้อยผู้ประดับประดาแล้วบ้างหม่อน้ำเต็มบ้างปลาตะเพียนสดบ้างหมาอาชาในบ้างรถเทียมด้วยมมาอาชาในบ้างโคอสุภะบ้างแม่โคบ้าง โคแดงบ้างก็หรือว่าเห็นรูปเห็นป่านนี้อย่างได้อย่างหนึ่งแม้อื่นซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่าสุตมังคลิกะฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าผู้เจริญชื่อว่าชักสูนั่น ย่อมเห็นรูปสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างผีว่ารูปที่จักษุนั้นเห็นแล้วจะพึงเป็นมงคลใซก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นแล้วจึงไม่เป็นมงคลก็เสียงที่ฟังแล้วต่างหากเป็นมงคล เสียงที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าเสียงที่ฟังแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่ช้าตรูได้ยินว่าเจริญแล้วบ้างว่ากำลังเจริญบ้างว่าเต็มแล้วบ้างว่าขาวบ้างว่าใจดีบ้างว่าสิริบ้างว่าสิริเจริญบ้างว่าวันนี้เลือกดี ยามดีวันดีมงคลดีหรือได้ยินเสียงเห็นปานนี้ยางได้อย่างหนึ่งซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่ามุตตะมังคลิกะฟังคํานั้นแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญชื่อว่าโสตะนั่นย่อมได้ยินเสียงดีบ้าง ไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างผีว่าเสียงที่โสตะนั้นฟังแล้วจะพึงเป็นมงคลไซก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงที่ฟังแล้วจึงไม่เป็นมงคลก็อารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลกลิ่นรสและโภทพะ ที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ดมกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นดอกปทุมเป็นต้นหรือเคี้ยวไม้ชมระฟันอันขาวจับต้องปฐพีหรือจับต้องข้าวกล้าอันเขียวสดโคไม้สดเต่าเกวียนบรรทุกงา ดอกไม้หรือผลไม้ลูบไล้ด้วยดินสอพองโดยถูกต้องหรือนุ่งผ้าขาวหรือโพกผ้าโพกขาวก็หรือดมกลิ่นลิ้มรสหรือถูกต้องโพธิภพเห็นป่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคล ชายทั้งสามนั้นไม่อาจจะตกลงกันได้ฝ่ายบรรดามนุษย์เหล่าอื่นจากสามนายนั้นบางพวกเชื่อคำของชายเหล่านั้นบางพวกไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็เถียงกับพวกที่เชื่อเหล่านั้นพวกที่เชื่อคำของนายทิถมังคลิกะก็ถึงนิดทั้งความตกลงใจว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้น เป็นมงคลพวกที่เชื่อคำของอีกสองนายนอกนี้ก็ถึงความตกลงใจว่าเสียงที่ฟังแล้วเท่านั้นเป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วเท่านั้นเป็นมงคลเรื่องมงคลนี้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปด้วยประการชนี